สบายดีไม่หัดสบายดีโยคะที่ชันติโยคะเชนบายเหนือกับจุลินใจก็เกิแต่ถ้าไม่เนะสบายดียกสบายดีโยคะเหมือนเหมือนกับคนลาวเลยลาวสบายดีลดลาวเนี่ยเนชัติใช่ในี่ยอูเพียวนี่อายุอ่อนร่ำปีูจะก้าแข็งแรงนะ ควาฟังเทศหรื อ, อยังลงเาไว้เรอเราทั ก, าากลัวตัง้งคำถามาอนนาจารย์เี๋ยวคนตังอะไรดีบอกว่าเมื่อเราเจ็ดกลัวนี่เนาะกาปฏบัตินี่ว้าบไปเลนี่เริ่อมหรือเปล่าเริ่มแน่เล่อมเหรอ เริ่มแอดมินเริ่มแบบไม่ค่อยรู้ตัวกัน่าไรแอดมินอยากจะถ่ายก็ถ่ า, ถ า, ะ อ, าอะไรความอะไรทุม่มเทพปฏิบัติเราจะดูวันทีความอยากเราเห็นแล้วอาจารย์ทีนี้เราดูบางครั้งที่มันมีแบบคือเราเราชนะตัวกิ่ไม่ได้มีบางครั้งมันไม่ดับ จะเห็นละเห็นรับรู้เห็นรับรู้ที่มันเกิดกับจิตอยู่เนาะแต่ไม่ดับแล้วมันดับไหมันเแลแต่มันจะดับไหมดับอยู่นะอ๋อเม่บอกไม่ดับแต่บางบางทีเลยอย be be be ่างบางทีเราทักเนาะทุกทีที่คือทักมันก็ดับเร็วมันไม่ได้แบบ น, น, น, น่ามันก็มีหลายหลายประเภทประเภทที่ดับเร็วดับช้าดับปานกลางหรือประเภทที่อยู่เป็นกันเป็นครึ่งวันพ่อนวันนู่นมันก็ธรรมดามแต่อย่างน้อยมันก็เกิดขึ้นมาเพื่อให้เราได้รู้ได้เห็นแต่เราก็ทราบว่ามันก็ยังดับอยู่นั่นก็คือเป็นเครื่องแสดงออกให้เราได้เดรียนรู้สัจธรรมว่าทุกอย่างที่เกิดแล้วมันต้องดับแม้แต่กิเลสเกิดเองก็ต้องดับกิเลส ก, ก็ตกอยู่ภายใต้าการเกิดการดับเหมือนกัน ไม่ใช่เฉพาะชีวิตเราที่เกิดระดับเมื่อกิเลสมันเกิดและบรรดับตอนเกิดมันก็มีตอนดับมันก็ไม่มีแต่หากเราไปเข้าใจว่ามันมีนั่นคือความเห็นผิดของเราเองมันมีเฉพาะตอนที่เกิดตอนที่มันดับมันก็ไม่มีแล้วเพราะนั้นกิเลสไม่ได้มีอยู่ตลอดเวลากิเลสไม่ได้เกิดอยู่ตลอดเวลาแต่เมื่อมันเกิดแล้วเรารู้เท่าทันมันแค่ไหนการรู้เท่าทันคือการเห็นอาการแห่งกิเลสที่เกิดขึ้น <Jub ilee> ไม่จะเป็นว่าม <may> ันจะดับหรือมันไม่ดับมันจะเป็นอยู่ที่ว่าเรารู้หรือเราไม่รู้อยู่แค่นี้ถ้าเรารู้มันจะดับหรือไม่ดับไม่ได้เป็นปัญหาเพราะเรามีความรู้ทางด้านหลักสัจธรรมอยู่แล้วว่าอะไรก็ตามที่เกิดอันนั้นก็ต้องดับมันไม่ดับตอนนี้มันก็ต้องดับตอนต่อไปตอนต่อไปไม่ดับต่อต่อไปก็ต้องดับแต่ทีนี้เราจะหวังว่าจะให้มันดับตามใจอยากของเราอันน้เราไปเพิ่มเพิ่มความอยากแล้วไปตั้งความสงสัยกับ อาการที่มันไม่ดับว่าเอ๊ะทำไมมันยังไม่ดับเพราะประสบการณ์เมื่อไรเวลาเราพักมันจะดับใช่อันนั้นคือกิเลสแบบอ่อนๆอ่อนๆที่ดับได้ง่ายสติที่พอดีพอดีกับกิเลสมันก็ดับกันได้แต่พอกิเลสที่มันแก่กล้าขึ้นมาสติของเรามันยังไม่ทันได้แก่กล้าตามอาการเห็งกิเลสที่เกิดขึ้นมันก็เลยยังดับกันไม่ได้แต่อย่างน้อยมันก็ยังรู้กันอยู่ยังเห็นกันอยู่อย่างนั้นจนกว่าสติตัวนี้แก่กล้าเมื่อไหร่ การรู้เท่าทันกับอาการของกิเลสที่เกิดขึ้นพอดีกันเมื่อไหร่มันจะดับให้เห็นในระหว่างที่เราทัศมนะันมันจะดับให้เห็นนี่คือหลักของการปฏิบัติก็เป็นอย่างนี้เลยมันก็ต้องเข้าใจอย่างนี้แล้วเรียนรู้อย่างนี้มันมีที่ดับเห็นปุ๊บดับได้เลยอันนั้นได้อยู่แล้วมันเป็ น, ป น, ปนความพอดีกันของสติของเรา เพระนั้นการที่เราจะทําให้สติพอดีกับกิเลสที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะดับมันได้เราก็บังคับให้สติแก่กล้าไม่ได้อีกสติต้องแก่กล้าขึ้นมาตามธรรมชาติของมันเองโดยการเห็นอาการกิเลสที่มันค้างอยู่อย่างนี้แหละอยู่เรื่อยๆว่าอ๋อมันยังอยู่ในใจเราอยู่มันยังเกิดอยู่มันยังตั้งอยู่มันยังมีอยู่มันยังไม่ดับตอนนี้พอระยะต่อไปเราเห็นการดับของมันหรือการหายไปของมัน เราก็จะทราบการรับรู้อย่างนี้ปล่อยให้สติรับรู้อย่างนี้สติอ่อนๆเล่านั้นแหละรับรู้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆโดยที่เราก็เรียนรู้อดทนข่มใจหรือควบคุมใจตัวเองในรอบในระหว่างนั้นนะมันก็จะค่อยๆทําให้สตินั้นอนะพยายามเพิ่มพูนความแก่กล้าในตัวของมันเองพอมันแก่กล้าเมื่อไหร่มันก็จะจัดการจัดการกับกิเลสที่เกิดขึ้นเมื่อนั้นมันไม่รอยช้าหรอกสติ ดูทำงานอยู่ไม <oh ่ก็เห็นกันอยู่ดูกันนะก็ก็เป็นอย่างนั้นมันก็จะเป็นอย่างนั้นแหะใช่เห็นชัก็เห็นตัวมันอยู่ก็เห็นอาการมันอยู่ก็เห็นเราก็เห็นเราก็รู้แต่ทําไมมันไม่ดับเนี่ยยังไม่ล่ะแต่ทําไมอันก่อนๆที่ผ่านมาทําไมเห็นแล้วมันดับแต่อันนี้ทําไมมันไม่ดับเนี่ยมันเป็นความสงสัยไอ้ความสงสัยก็เป็นปัญหาอันหนึ่งนะพ่อมันจะควรใจเราด้วยคือพ่อจัน นี่ก็เป็นนะมีเรื่องน ะ, ะนงนะแต่ฉันไม่ใช่เรื่องนะมันจะแบบว่ า, าเราค้างไว้คือเรายังไม่ชิ้นสุดการการตกลงเลยแล้วสจแล้ญญวมันก็คือเรายังสงสัยอยู่ค่อะอาจารย์แต่ก็เหน็นนะมันจะรับคุณมาเป็นพพักแล้วก็ดูมันแล้วก็รับไอกี้จะขูดขึ้นมาอีกนะก็ดูมันมันก็แว บ, บไปเพราะเรื่องนี้มันยังไม่สรุปไง ก, ก, ก, ก็ดับไปแล้วเนี่ยดับแต่ไม่แต่มันก็จะขึ้นมาอีกนะอาจารย์เพราะว่ามันยังไม่ขี้ใครตอบโจทการ ใ ห, ให้เรียนรู้และศึกษาอย่างนี้ว่าการที่มันยังเกิดขึ้นได้อยู่นั่นกนหมายถึงว่ามันยังไม่ขาดด้วยอำนาจแห่งอริยมรรคมันจึงเกิดขึ้นได้อยู่แต่การเกิดขึ้นของมันก็เกิดขึ้นเพื่อดับไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อมีอยู่แต่ความเห็นของเราที่ไปมีความเห็นอยู่ว่าเรามีกิเลสดูตลอดเวลานั่นแหละคือความเห็นผิดที่ต้องแก้ mm hmm. เข้าใจไหม มันไม่ได้มีอยู่ตลอดเวลามันมีะระดับมันมีะระดับนั่นเท่ากับว่ากิเลสไม่ได้มีอยู่ตลอดเวลาอ่าใช่ใช่เพราะถ้ากิเลสถ้าถ้ากิเลสมันมีอยู่ตลอดเวลาแล้วพระเจ้าก็ละไม่ได้พระอาจารย์สมมติได้ฟังสม ม, มุติว่ามีคนยืมเงินเราสม ม, มติได้นะอืมทีนี้มันก็ยังไม่เคลียร์ใช่ไหมว่าเขายังไม่ใช้เงินอ่ะแต่ประจำงดือมา นี่ถึงพูดเรื่องนี้นะแต่พี่เรื่องนี้ยมันก็จะแวบแต่เคยเป็นอย่างนี้สมมติที่คนอื่นๆนะมันก็จะแวบมานะคือเขาจะไม่ใช้เงินเราไงอ่าเดี๋ยวละเรื่องนากรมันยืมเงินเราใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วก็ก็อเราให้ผู้หยิงเราก็นึกว่าเขาต้องใช้เราใช่ไหมใช่นั้นคือเราเราคาดหวังอยู่ว่าเขาจะใช้เราไม่ใช้เรานะมันก็เกิดขึ้นมาไง ก็เหมือนกับว่าเราก็กงวลว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่ใช้เรานะใช่ไหมมันก็เกิดขึ้นในจิตของมานจิตก็คือเลยไปสามวันจิตก็คืออยากได้เงินออยากได้เงินเลยหับใจหลับได้ก็ได้ไม่ได้ก็ได้จับแล้วมันก็มัยืนหยัดละเขามันได้ตกลงภูมใจแล้วว่าช่างมันไม่ได้ก็ช่างนั่นแหละเห็นไหมมันก็อยู่ที่จิตเราเท่านั้นนะเพราันจะอที่จะไม่ขูด ก็อยู่ที่จิตเราครับเออมันก็มันก็คือสรุปแล้วเนี่ยจิตเนี่ยมันก็อยู่ที่เรายินยอมด้วยนะมันก็เป็นการอบรงด้วยแล้วว่าเรื่องนี้เราวางได้เพราะว่ามันมันเหมืนว่าันสมบูรณ์แล้วอืมันมีส่วนนะคระเจ้าก็มีส่วนคือถ้ามันไม่สมบูรณ์นะมันก็จะแต่นั่นก็ยังไม่ใช่การวางถาบอนนแหะวานได้ชั่วคราวยังไม่ถาวรที่เขาเห็นมันเกิดระดับขึ้นเราที่มันหายแต่แล้วมันก็ขึ้นมาแล้วก็เห็นก็เห็นเกิด เคยเห็นอยู่คยว่าเออแต่พอเราคิดแล้วมันไม่ใช่แน่นอนเราก็เลยว่าตัดใจดีกว่าไม่เอาล่ะอย่างเนี้ยหรือจะนี้มันจะวางแล้วมันไม่เป็นอย่างเนี้แต่ถ้าสมมติเราไม่วางนั้นก็ทํานองเดียวกันทํานองเดียวกันกับการปฏิบัติต่อกิเลสตัวอื่นคล้ายๆกันตัดใจตัดใจออกจากมันอาจารย์ครับ คือช่วงนี้ก็อุ่ยนะก็ฟังเทศแล้วเสร็จแล้วเมื่อคืนก็เปิดจนคืนนะนะมันก็ดีนะการเปิดเทสที่เรานอนนะก่อนนอนเราก็ฟังเทสแล้วเราก็เดินดูกลุ่งสลักแล้วก็ฟังเทศเนี่ยแล้วก็เราก็เปิดอีกนะเออเวลาคือคืนถึงนาทีสองที่สามมันได้ได้อยู่จิตมันก็ดีนะจิตมันก็ตื่นมาไม่ได้ฟังต่อเลยมัน จิตมันไม่มีดีหรือมีไม่ดีหรอกเราไปยินดีในอาการของจิตที่ดีและไม่ดีเองมันก็เลยเข้าใจว่าจิตดีไม่ใช่ไม่ใช่ว่าจิตคือเราไปชื่นชมว่าเออคือก็นั่นแล้วก็ไปชื่นชมหมายถึงว่าเราว่าเออก็ตื่นมาพักมันก็เหมือนเดินต่อเดินในการปฏิบัติต่อเรียนไปชมว่าเดินมันดีนะว่ามันทําให้แบบการฝาดแบบนี้มันต่อเนี่ยแม้เราหลับไปแล้วนะบางตอนมีฝันนะเนาะฝันอะไรไปทช่ไหม แล้วก็เสร็จแล้วดีเสิ็จดีแล้วก็ใจดีดีก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละใช่ไหมคะใช่การปฏิบัติต้องต่อเนื่องอย่างนี้หลับลงไปด้วยจิตที่พี่ารณาทำตื่นขึ้นมามันก็พี่นาต่อเขาา้งมันเีงนั่นแหละคือวิธีการที่ถูกต้องเป็นอย่างนั้นนั่นคือความต่อเนื่องอแต่จะให้ดีที่สุดก็คือต่อเนื่องแม้ขนาที่หลับ เ, เขาบอกว่าเป็นไปได้หรอเป็นไปได้สิ ต่อเนื่องในขณะที่หลัเราเราจะเป็นไปได้ยังไงคนหลับเขาก็หลับไปไม่ได้รู้ตัวอะไรนี่มันจะทํายาต่อเนื่องได้ยังไงอันที่พูดถึงว่าต่อเนื่องแม้กระทั่งที่หลับนี้คือเป็นการต่อเนื่องที่อยู่เหนือเจตนาไม่ได้เกี่ยวกับเจตนาของเราทําจนเป็นเหนือเจตนาแล้วจิตมันทำเขรามันเองแล้วนะอย่าลืมว่ากิเลสมันก็เป็นสิ่งที่อยู่เหนือเจตนานะเราบังคับไม่ได้เราควบคุมกิเลสไม่ได้กิเลสมันเกิดก็ มีแต่จะควบคุมและยับยั้งไม่ให้ทําตามมันหรือก็คอยตามมี่สองอย่างคอยตามมันหรือควบคุมมันถ้าคอยตามก็ก็ถูกอานาจของกิเลสควบคุมอีกแล้วก็เราคอยตามมากี่ข้อกี่ชาติจนเป็นความคุ้นเคยต่ออาการของกิเลสที่เกิดขึ้นในจิตใช่ไหมล่ะทีนี้ถ้าเราคอยตามอีกก็ไม่ต่างจากครั้งที่ผ่านมาความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นกับจิตเรา จากนาจของกิเลสที่มันเกิดแล้วก็มาคอยควบคุมอยู่อย่างนี้แหละควบคุมจิตควบคุมใจแล้ค ว, ค, ค, วคอยรับรู้รับทราบการเกิดการดับการเกิดการดับเมื่อมันเกิดได้มันก็ต้องดับได้ <c oughs> เมื่อทราบการเกิดการดับตามความเป็นจริงได้อย่างนี้สติเพียงพอต่อกันเมื่อไหร่และเราสามารถทําให้ติดต่อเนื่องกันได้เมื่อไหร่มันจะเกิดอันหนึ่งที่เรียกว่าอยู่เหนือเจตนา อันที่อยู่เนื้อเจตนาเนี่ยะจะไปฆ่ากิเลสที่อยู่เหนื้อเจตนาเองกิเลสเราไม่สามารถไปเจตนาที่จะจัดการมันได้นะเพราะมันอยู่เนือเจตนาเราจะใช้เจตนาจัดการมันไม่ได้เจตนาเราได้แค่เจตนาในการให้ทานเจตนาในการรักษาศีลเจตนาในการทําสมาธิคือควบคุมจิตให้ตั้งมั่นเวลากิเลสเกิดขึ้นทําจิตให้มั่นคงไว้อย่าคล้อยตามแล้วก็เจตนาในการพิจารณาทางด้านปัญญานี่คือเจตนาที่เราจะทําได้ แต่เจตานาที่จะทําลายกิเลส ท, ที่เกิดขึ้นในใจในเวลานั้นมันทําไม่ได้ทําไม่ได้มันเป็นเรื่องของสติปัญญาที่อยู่เหนือเจตานาที่จะไปจั ด, จดการมันเองอัตมาจึงบอกอยู่เสมอว่าเราไม่ไม่ได้มีหน้าที่ลักกิเลสเรามีหน้าที่เในการเจริญมรรคเท่านั้นเมื่อมรรคเต็มบริบูรณ์กิเลสจะถูกละไปเองอย่างเงี้ยเพราะในส่วนของทานศีล ส, สมาธิปัญญาเป็นเรื่องของเจตานาอยู่ต้องอาศัยเจตานาเป็นตัวนําอยู่ ทำจนมันอยู่เหนือเจตนามันถึงจะสามารถฆ่ากิเลสได้ใช่นั่นแหละคืออยู่เหนือเจตนานถูกอย่างงั้นเลยใช่ <c oughs> มันไม่ใช่ว่าเหมือนมันตื่นใช่มันตื่นพอมันตื่นนั่นแหละคือจิตตื่นจิตตื่นก็มาใช้ในการพิจารณา อาตมาก็อย่างนี้แหละพิจารณาลทั้งกลางวันกลางคืนอย่างนี้แหละนอนวานละหนึ่งชั่วโมงเนี่ยถามว่าทําไมาถึงขนาดนั้นมันก็ต้องแลกกันขนาดนั้นนะเพื่อที่จะรู้ธรรมเพื่อที่จะรู้ความจริงก็ต้องแลกกันขนาดนั้นอย่าลืมว่าสิ่งที่เราทําไปในการปฏิพฤติปฏิบัตินี้มันมันคุ้มค่าที่สุดคุ้มค่ากับความเป็นอยู่ที่เราเป็นอยู่ตามภาวะของโลกที่เป็นอยู่ มันคุ้มค่ายิ่งกว่านั้นเพราะมันสามารถปิดอบายภูมิในทุกๆขนาดที่เราพิจารณานอยู่ขนาดนั้นปิดกระแสแห่งจิตที่มันเชื่อมโยงไปในพบเพราะเราได้สร้างพบในการเชื่อมโยงกับจิตเราไว้แล้วเราเชื่อมโยงไว้แล้วขณะที่จิตจะจิตเราดีเราก็มีสุขติภูมิเป็นที่ไปแล้วขณะที่จิตเรามันไม่ดีเราก็มีทุขติภูมิเป็นที่ไปนะ ทุกติภูมิก็มีสีสุขติภูมิ 4, มก็มีอะไรสองใช่ไหมสามใช่ไหมมนุษย์สวรรค์พรมสุขติภูมิมี 3, สามทุกขติมีสีเราสร้างไว้ทุกๆขณะทุกๆเวลาตั้งแต่วันที่เราเกิดตั้งแต่เกิดแล้วตั้งแต่อยู่ในท้องเลยนะอ๋ออยู่ในท้องไม่รู้จกักทํากระทากรรมอะไรมันจะเป็นการสร้างพบแห่งการเกิดได้ยังไงเชยๆก็เป็นกรรมตามมาโดยที่เคยบอกอยู่ใช่ไหม ภยการตะกำรรกำรรที่เป็นกลางๆหรืที่เฉยก็เป็นกรรำก ร, รมที่จะหมักดองให้เราอยู่กับความเฉยๆอย่างเนี้ยเกิดโดยที่ไม่รู้เรื่องอะไรอย่างนี้ก็มีมันเป็นการสร้างภพอยู่ภายในตัวทุกๆขณะดีก็สร้างภพไม่ดีก็สร้างภพแต่การพิณธรรมมันจะสร้างกระแสของมัดเส้นทางของมัดเพื่อเชื่อมโยงกับพระนิพพานเพียงแต่ในระหว่างที่มันยังไม่เชื่อมโยงเนี่ยเราก็ มันก็ปิดทางของสุขติกับทุกคติแต่เปิดทางสุขติไวเข้าใจไหมเปิดทางสุขติไว้แต่มันจะรู้อยู่ว่ามรรคมันจะปิดทางทั้งสุขติและทุกขตินั่นแหละแต่กําลังของมรรคนั่นอ่ะมันจะปิดทางทุกคติเราจะค่อยปิดในขณะที่เราพี่นาพี่นาพี่นาอยู่พี่น า, น า, นากายพี่นาจิตมันก็จะปิดทุกคติไว้ตลอดเวลาขณะที่พิจารณานั้นขณะเห็งจิตนั้น พรปิดทุคติว่าเรีเปิดสุคติคําว่าเปิดสุคติคือตราบใดที่จิตของเรายังไม่สัมผัสกับพระนิพานเมื่ อ, อไหร่สุคติภูมิมันได้อยู่แล้วอัตโนมัติแต่เมื่อสัมผัสกับพระนิพานปับ๊บสุคติภูมิจะถูกปิดไม่เกินทศดราบันก็ไม่เกินชาติที่แปดไม่เกินชาติที่เจ็ดไม่ถือว่าพบที่แปดอย่างเงี้ยอันนั้นคือปิดปิดพบที่แปดเป็นต้นไปสําหรับพระโศดาบัน ปิสุขสติภูมิในเจดพบไว้ประเภทสัตว์กตูงนะสัตว์กตุงเจ็ดชาโกลังโกละสามชาติเอกับพีชีหนึ่งชาติก็คืออินทรีย์แต่ละดวงจิตของพระโ ส, สดาบันนะั้นแตกต่างกันว่ามีกําลังมากกําลังน้อยไม่เหมือนกันอย่างเ้ยแต่ปิดอบายภูมิแน่นอนเลยทีพระโสดาบันนะี่ยปิดแน่นอนปิดหมดเลยอบายทุกอย่างทุกประตูเลยประตูของความไปเป็นสัตว์เดชชันก็ปิด ประตูห้องความไปเป็นเปรตผีปีศาจอสุรกายก็ปิดประตูห้องความไปสูนรกก็ปิดปิดหมดเพราะนั้นทุทกขณะที่พิจารณาคือการผิดอบายภูมิให้กับตัวเองแล้วเปิดสุคติภูมิอาจารย์เลาที่อาจารย์พี่นาคที่นคริงี่หลักอาจารย์รยใช่ก็พี่นาไกรนี่เลยพี่นาไกรแล้วมันไม่หยุดตอนแรกก็ท่องท่า พอทานแล้วตื่นตื่นมันตื่นอยู่ภายในนะตื่นในการท่องคือมันท่องอยู่ตลอดเวลาจากนั้นก็มาพิจรารณาทิ้งการท่องแต่การท่องมันก็ยังติดมาอยู่แต่เราจะเอาสิ่งที่ติดมาอยู่มาพิจรารณ า, าเป็นเครื่องมือของการพิจารณาแล้วเป็นฐานของการพิจารณาแยกร่างกายเป็นส่วนเป็นส่วนส่วนธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเป็นอย่างไรพิจารณาจนเกิดความชํานาญเกิดความเข้าใจข่องแคล้ว อันเดิมนั่นแหละแต่มันมีความคล่องแคล่วพี่นายย้ำแล้วย้ำอีกซ <boxing, S 2> <activity. ắng, S 1> ้ำแล้วซ้ำอีกย้ำย้ำซ้ำซ้ำอยู่เรื่อยๆจะเกิดการยอมรับจิตเกิดการยอมรับอันนั้นยังรักกิเลสอะไรยังไม่ได้นะแค่ยอมรับเฉยๆยอมรับว่ากายเป็นดินน้ำไปลมก็นำมาซึ่งความสงบหรือความเป็นสมาธิภายในจิตจิตจะมีความเป็นหนึ่งหนึ่งก็คือมันตั้งมั่นอยู่จิตจิตเป็นหนึ่งคือหนึ่งจริงๆนะคือไม่มีกายรู้สึกว่าไม่มีกาย มีแต่ความเป็นหนึ่งของจิตเป็นเอกให้เรียกว่าทําเอกผุดขึ้นหรือประมาณนั้นน่ะที่เขาพูดถึงน ะ, นะตามตำหนักตำร า, า, าเอกคือความเป็นหนึ่งรับรู้รับทราบอะไรก็มันเข้าไปไม่ถึงจิตน่ะมันรับทราบแล้วมันก็รับรู้แล้วมันก็ตกอยู่ตรงนั้นน่กะกระแสทุกกะระแสพายเข้ามาในจิตตามหูอย่างหิ้นกายใจพอกระทบกับความเป็นหนึ่งของจิตเนี่ยกระทบปั๊บมันก็ตกอยู่ตรงนั้นะ่ะแต่ก่อนมันจะเข้ามาถึงจิตจิตก็รับทราบแล้วก็โอนเอตตามใช่ไหมหล่ะ แต่ขณะที่เราตั้งการพิจารณาในจิตไว้จนจิตเนี่ยมันเกิดความเป็นหนึ่งอมันเกิดเป็นภาวะแห่งการรู้ขึ้นรู้คือการยอมรับกายตามความปจริงแล้วกระแสทุกกระแสที่ผ่านเข้ามาทางตาหงจมูกลิ้นกายใจพอสัมผัสกับอํานาจของความรู้ในจิตเนี่ยมันก็หล่นอยู่รอบๆจิตมันไม่เข้ามาในภายในจิตก็เลยมีหนึ่งอารมณ์ไม่มาปรุงแต่งจิตสองจิตไม่ปรุงแต่งอารมณ์ ทีนี้ถ้าเป็นจิตทั่วๆไปที่ไม่ได้ถูกฝึกหัดอารมณ์เขามากระทบปั๊บหนึ่งอารมณ์ก็ปรุงแต่งจิตพออารมณ์ปรุงแต่งจิตให้สุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ดีไม่ดีเยีง้งพอใจไม่พอใจขัดเคืองใจไม่ขัดเคืองใจหรื อ, อยังไงก็ตามพอปรุงแต่งจิตเสร็จปุ๊บจิตเสวยอารมณ์แห่งการปรุงแต่งนั้นคือรวดเร็วมากเลยนะมันจะเกิดขึ้นแบบรวดเร็วกระบวนการนี้แล้วจิตก็ปรุงแต่งต่ออารมณ์นั้นขึ้นอีกอารมณ์ที่พอใจก็ปรุงแต่งหา อารมณ์ที่ไม่พอใจก็ปรุงแต่งในการปฏิเสธอย่างเงี้ยปรุงแต่งจิตต่ออารมณ์ปรุงแต่งจิตนั้นไม่ผิดเพราะพิโรบปกติพระเยซูเจ้าพระอรหันต์พระผู้ได้ย่อก็ยังถูกอารมณ์ปรุงแต่งจิตอยู่แต่ท่านจะไม่ปรุงจิตท่านจะไม่ปรุงแต่งอารมณ์หมายถึงว่าปรุงแต่งเสร็จปุ๊บรับทราบสิ่งที่ปรุงแต่งแล้วก็ดับมันก็ดับไปอยู่แค่นั้นมันไม่สืบต่อ กุฎิเจ้าจึงบอกว่าพระอริ ย, เ จ, รยเจ้าทั้งหลายท่านก็อยู่ตามปกติในวิสัยของโลกที่เขาเป็นกันนั่นแหละคือรับทราบทุกอย่างทางตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้เรื่องทุกอย่างตามชาวบ้านที่เขารู้เรื่องไม่ใช่ว่าปฏิเสธในสิ่งที่เขารับรู้รับทราบไปเสียทั้งหมดก็รู้เรื่องเหมือนคนทั่วไปที่รู้เรื่องเป็นเพียงแต่ว่าในขณะที่ปฏิบัตินะมันจะเกิดภาวะหนึ่งที่แยกตัวเองไปอยู่ต่างหากในความเป็นหนึ่งแต่พอปฏิบัติเสร็จสิ้นแล้วท่านกับปกติกิตของท่านเลยนี้ เป็นปกติจิตก็อารมณ์เข้ามากปรุงแต่งไปปรุงแต่งตัวเองเสร็จมันก็ดับพอท่านมีปรุงแต่งต่อพอท่านรู้อารมณ์ตามความเป็นจริงแล้วแต่ปุถุชนที่ไม่ได้ฝึกก็ปรุงแต่งต่อเพราะไม่รู้จักอารมณ์ตามความเป็นจริงใช่ไหมครับอารมณ์ก็เลยวนเวียนอยู่ในจิตของตั ว, ตวเรา เ, เกิดจากการปรุงแต่งของเราเพราะฉะนั้นเมื่อเราปรุงแต่งเองสเสวยอารมณ์เองทุกเองจะโทษใคร จะโทษคนนั้นคนนี้หรือเปล่าพอมารู้จักเรื่องราวเหล่านี้แล้วไม่ได้โทษใครมันโทษแต่ความไม่รู้ของเราเองที่เราไม่รู้จักเราก็ปรุงแต่งจิตของเราโดยที่เราขาดความรู้ขาดขาดความเข้าใจขาดการอบรมภูริจ้าจึงบอกว่าผุุ้ชนผู้ไม่ได้สดับย่อมไม่รู้จักทำตามความเป็นจริงไม่ได้สดับคือไม่ได้มารู้มาเห็นเนี่ยสดับคือมารู้มาเห็นอาการเหตงจิตที่ถูกอารมณ์กระทบเมื่อไม่ได้สดับอย่างนั้นคือไม่ได้เห็นอย่างนั้นก็ หลงเข้าใจผิดคิดว่าเป็นจริงเป็นจังเป็นตัวเป็นตนไปเสียทั้งหมดผลของการปฏิบัติก็จะทราบได้ภายในเป็นสันีิทิโกในตัเองเป็นปัจจตังเวทิตาโบภายในตัวเองมันก็ขึ้นอยู่การอบรมของเราเรื่องเดิมนี่แหละแต่พี่นายย้ำๆซ้ำๆอะ่ะ ให้มันได้มันจะหนึ่งมันจะได้ความป้องค้องแค้วผู้เจ้าบอกว่าทําให้เป็นประดุจยานยานเครื่องรองรับหรือเครื่องนําที่จะพาเราไปสู่ความพ้นทุกข์หรือที่หมายคือพระนิพพานเป็นประดุจยานก็ธรรมดาจะสร้างยานยานยนที่เขาทากันก็ไม่ใช่ง่ายๆ่ายใช่ไหล่ะอะไม่ใช่ง่ายงายแต่เขาก็ทําแล้วทําอีกทําแล้วทําอีกทดลองแล้วทดลองอีกทําแล้วยังอย่างนั้นเนี่ย จนกลายเป็นยานยนต์ที่สามารถขับขี่ได้ปลอดภัยและไปถึงที่หมายเห็ใช่ไหมล่ะนี่ก็เหมือนการผู้องค์บอกทําให้เป็นประดุจยานยานที่รองรับจิตเราเนี่ยเราตั้งกรรมาฐานขึ้นมาพี่นาไายทําให้เป็นประดุจยานดินน้ําไฟลมพี่นาย่ำย่ำซ้ําๆทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนอย่างว่าต้องต้องผ้าเพียรเพือข น, น, นาดนั้นนะต้องใส่ใจแต่แตไปภายในจิตของตนเองอยู่ตลอดเวลาถ้าใส่ใจในภายนอกมากเกินไปมันมันก็เสียหาย คือการกระทาต่อเนื่องมันก็ไม่ต่อเนื่องต้องใส่ใจภายในจิตของตัวเองอยู่ตลอดอตาตมาจึงพูดอยู่เสมอว่าถ้าใครเห็นการเกิดดับขอให้ตั้งใจดูการเกิดดับนั้นให้ติดต่อเนื่องกันอย่างน้อยเจดวันหากมีเวลาก็สลัเวลาสักเจ็ดวันหากสามารถจับดูการเกิดดับได้แล้วเสียสลับเวลาสักเจ็ดวันเพื่อให้โอกาสกับตัวเองในการเรียนรู้สัจธรรมแล้วก็เป็นเครื่อง คุ้มครองรักษาตนเองแล้วก็เป็นประดุจยานพาตัวเองไปสู่ทางคนทุกข์เนี่ยติดต่อเนื่อกันสักเจ็วันไม่ต้องได้สักอย่างหนึ่งมรรคผลต้องได้แต่ถ้ายังจับการเกิดดับไม่ได้ก็ยังไม่ต้องนะเราก็เรียนรู้การเกิดดับจากวิถีชีวิตปัจจุบันเราไปทําการทํางานทําอะไรอยู่ก็ก็ให้รับทราบในแต่ละอาการแต่ละอารมณ์แต่ละสัมผัสที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับจิต เกิดอะไรเป็นยังไงตั้งอยู่ยังไงระดับไปยังไงดับดูรับทราบอย่างนี้จนกว่าสติมันเพียงพอต่อการดูการเกิดดับได้เมื่อใดก็เมื่อนั้นอะ่ะจับคือถ้าดูการเกิดดับได้เมื่ อ, อไหร่มันจะไม่หลงมันจะไม่ลืมลักษณะของการเกิดและลักษณะของการดับของอารมณ์เมื่อมันไม่หลงลืมมันจะแม้อารมณ์จะมาแบบไหนก็ตามมันก็จะทราบได้ว่ามันก็ไม่ต่างจากการที่เราได้เคยเห็นมันอย่างนี้มา แต่ก่อนก่อนนี้ใช่ ไ, ไหมละ่ะมันก็อ๋อเหมือนกับครั้งก่อนนะมันก็ต้องแต่การที่เรามากําหนดรู้นะัต้องกําหนดรู้ขณะปัจจุบันนะไม่ใช่สรุปเอาว่ามันก็เหมือนกับครั้งก่อนแล้วไม่สนใจที่จะดูเดี๋ยวมันก็ดับไปเองอย่างเงี้ยไม่ได้ต้องดูเหมือนกับดูใหม่ทุกครั้งเหมือนกับทําใหม่ทุกครั้งเหมือนกับเพิ่งจะเคยดูทุกครั้งอะ่ะ<ไ>เพราะอันอันที่ผ่านมาแล้วคือผ่านไปเป็นมันเป็นร่วงไปแล้ว อันที่เกิดขึ้นนี้คือขนาดนั้นเพราะการดูการเกิดดับตามความเป็นจริงจะต้องเห็นการเกิดดับนั้นที่เกิดกับตนและเป็นขนาดปัจจุบันนั้นที่เราสามารถเห็นได้กาหนดรอบรู้ได้และมีปัญญาทำความเข้าใจได้ในเวลานั้นแล้วเราจะเข้าใจได้เลยว่าอ๋อมันก็เป็นอย่างนี้ พอจิตมันรู้การเกิดดับมากข้าก็จะจดจอ่อจดจอ่อจดจอ่อจดจอ่อจดจอ่จดจอมันก็จะลึกไปเรื่อยลึกไปเรื่อยลึกไปเรื่อยลึกไปเรื่อยแล้วมันก็จะต่อของมันเองเน่มันมีที่ต่อของมันอยู่ต่อไปเชื่อมโยงกับหลักสัจธรรมในทางธรรมชาติมันจะต่อของมันถ้ามันต่อไปถึงได้แล้วก็ก็จะเข้าใจเราจะทําเปิดเผยขึ้นมาก็ไม่มีอะไรปิดบังต่อจิตแล้วธรรมชาติทุกอย่างเปิดเผยตามความเป็นจริง จริงๆมันก็เปิดเผยตนเองตามความเป็นจริงมาแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่จิตเราไม่ยอมเผยออกมาเองคือจิตเราถูกอวิชชาหุมห่อไว้ไม่ถูกเปิดเผยออกมามันบงังถูกบังไว้สายตาเราถูกบังไว้บังไว้ไม่ให้เห็นเกิด การปฏิบัติมันมีอยู่แค่นี้นอกนั้นก็เป็นเรื่องของตัวเราที่จะควบคุมตัวเราเองหลักของการปฏิบัติก็มีแค่นี้ฟังแล้วก็ไม่ยากปฏิบัติก็ค่อนข้างยากสมัยแต่การฟังเราสามารถทำให้ง่ายได้ใช่ไมล่ะการฟังแต่ละทีเราจะสามารถทำให้มันง่ายได้ในครั้งต่อไป อาตมาชอบวิธีการทําง่ายๆก่อนให้เราจับประเด็นอะไรให้มันง่ายๆก่อนคือวิธีการที่มันยุ่งยากทั้งหลายเนะีย่ยเดี๋ยวเพิ่งไปรีบลงมือทําทําให้มันง่ายคือทาําใใทความเข้าใจให้มันได้ก่อนเมื่อทําความเข้าใจให้มันได้ก่อนจับเอาประเด็นรือเนื้อหาที่มันเป็ น, เ ป, นเป็นตัวปฏิบัติจริงๆออกมาให้ได้มันจะง่ายแต่ในความง่ายก็คือความยากนั่นแหละแต่อย่างน้อยเรามันก็ยากอนะ่ะจึงต้องมาทําให้มันง่าย แต่กว่าจะง่ายได้มันก็ต้องยากกับมันก่อนยากไปเรื่อยๆจนกว่ารู้สึกว่าจะสามารถกระทําต่อมันได้การดูการเกิดดับนี้เราสามารถทํากับมันได้ใช่ไหมเรารู้ได้ว่าเราปฏิบัติได้มันไม่ใช่เรื่องเหลือวิสัยถ้าเราดูดูติดต่อเนื่นๆกันมันก็จะมันบางทีมันมีอะไรให้ดูว่ า, าอ า, าจารย์เคยสอนว่าให้ดูดวงใจมันจะทำอย่างไรแล้วก็เรื่องของเ้าของ เราเราต้องเข้าใจนะถ้ามันไม่มีอารมณ์ให้ดูการเกิดดับมันจะตกจิตมันจะไปเหมือนกับว่าไม่มีอะไรที่จะทำใช่ไมหมล่ะพอไม่มีอะไรที่จะทําปั๊บอวิชชานจะครอบงาในอารมณ์ที่เป็นอทุคขมสุขเวทนาเนี่ยอวิชชานจะครอบงาคือความเป็นการพระเจ้าจึงตัดอารักขากรมมฐานสิบไว้ในระหว่างนั้นน่ะจะทําอะไรก็ได้ภายในสิบประการเนี่ยที่เป็นอารักขากรมมฐาน กรรมฐานที่อารักษากรรมฐานไว้คือจัดรักษากรรมฐานที่เราทําไว้ไม่ให้เสื่อมก็จะมีหนึ่งพุทธานุสติแล้วลึกถึงพุทธเจ้าพอไปถึงจุดนั้ น, นแล้วไม่มีอะไรให้ดูการเกิดดับแล้วลึกถึงพุทธเจ้าแล้วลึกถึงพระธรทรมธรทรทมานุสติแล้ลึกถึงประสงค์สังขานุสติแล้ว <ancy> ลึกถึงสีที่ตนรักษาไว้ศีรานุสติแล้วลึกถึงทานที่ตนได้บริจาคเป็นจากานุสติ แลลึกถึงเทวตาเทวดาที่คุณธรรมที่ทําให้ให้เป็นเทวดาก็เป็นเทวตานุสติคุณธรรมที่ทําให้บุคคลเป็นเทวดามีอะไรอิริ ก, กับโอตะ ป, ปะใช่มสองสองประการนะี่แหละคือเทวตานุสติอะไรอีมานานานุสติพี่นะควตายแล้วลึกถึงความตายอานาปานสติแล้วลึกถึงอารมณ์หายใจอย่างเงี้ย มือว่างอยู่ปุ๊บมันก็เรารู้ลมหายใจคืออย่าปล่อยให้จิตมันอยู่เฉยเฉยถ้าปล่อยให้จิตอยู่เฉยเฉยปุ๊บอวิชาครอบงได้ง่ายง่ายแม้ไปเจอความบ้างก็อย่าปล่อยให้จิตว่างจิตต้องพี่<ม>นาควา ม, ม<น>าว่างให้ได้ถ้าพี่ณาจิตจิตพี่นาความว่างไม่ได้ต้องพิี่นาต้องร ะ, ะลึกถึงอนุสติสิประการก็บางทีก็จะดูแบบความเป็นกลางเนี่ก็ออถ้าสามารถดูความเป็นการได้ก็ได้ดูว่าจะมีเป็นกลางารอไม่ แต่มันมักจะทําให้เราเผลอแต่ก็ไม่เป็นไรก็ต้องเผลอแต่ว่ามันมักจะ ท, าะทําทให้เราถูกถูกแทรกด้วยอํานาจของวิชาได้แต่ถ้าเรามีสติดีอยู่ว่าขณะนี้เรากําลังดูความเป็นการของจิตอยู่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาก็เป็นขอบหน่อมั่นปัญาสติแล้วอะไรมนานานสักสีก็เอาแล้ว ลืมใช่ั้ยเรียนการหลายรอบอยู่นะนี่อนุสติสิบอุปสมานุสติแล้วลึกถึงพนธิภัณฑ์อะไรและอนุสติสิบมันต้องมีขาดกันอะจำกันก็ไม่ได้หมดก็ให้เลือกดูอันเดนอันดหนึ่งมันเป็นกรรมฐานที่อารักขาอารักขากกรรมฐานเคือเรียกว่าอารักขากรรมฐาน คือสิ่งที่สามารถรักษากรรมาฐานของเราไว้ไม่ให้เสือ่อมอนี้ในอนุสติสิ่อะไรก็ได้ต้องทำประกอบกันไปคู่กันไปเพราะถ้าปล่อยให้จิตว่างเฉยๆนี่ไม่ค่อยดีโมหานปกคลุมจิตได้ ง, ง่าย ถ้ามันมาเราก็เปิดแยกทีไดก็ได้ฟังธรรมานุสติเลยขืนทำเพราะว่าเราก็คิดอยูเหมือนกันว่าก็แปลกนะแต่ตอนหลังเนี่ยพราตั้งใจทำารี่จริงนะชวงที่ถูดมันทาให้พวกคาพูดหรือกแยกของพระอาจารย์เนี่ย ม, มันมีความหมายอะเมื่อกี้พระอาจารย์พูดมาแป๊บเนี่ยเราอาราธนาที่เราก็เคยเรียนจะเหมือนพระาจารย์สอนด้ไหมน่นะธรรมทิวะด้ไหนนะม่นะได้ยินจบเยมันซึเลย แฝกแล้วพออาจารย์พ mm. mm. mm. oh. oh. mm. uh ูดักมันมีปามันรีคอ์ดเราเห็นเลยอาจารย์ความว่างเป็อภิชามันก็ไยทวนสิ่งที่อาจสอนเนี่ยมันเหีือนกับเรียนใั้เอาจำแต่ทุกทีพอพักมันก็เหมือนเฉยเฉยนะอาจารย์แต่ช่วงนี้พอฟังเราจับที่ปิดเปิดเทศทอาจารย์พักอ้อันนี้เนาะมันได้อัธรลดมันได้อัธรดมากขึ้นเพราะหนึ่งกายสังขารเรามันกลัวอยู่สอง การได้ฟังเทศแล้วประกอบกับกายสังขารที่มันป่วยมันทําให้เกิดการพินาศสังขารมีเที่ยงเข้ากับหลักธรรมเข้ากับบลักธรรมได้และจิตเราก็จะอยู่กับกายมากขึ้นก็เลยฟังได้มันก็เลยอาจจะทารถลดมากขึ้นเพราะหนึ่งความจริงก็เกิดขึ้นกับเราคือความเจ็บป่วยสองธรรมะที่ฟังก็สอดคล้องกับความเจ็บป่วยที่เราเป็นกล่าวถึงเรื่องของกายสังขารที่มัไม่เที่ยงใช่ไหมล่ะก็มันก็ได้รสชาติขึ้นไป แล้วมนมีส่ที่เราเคยฟังมาก่อนแล้วทัเดี๋ยว่าพอเหมือนกับมันเป็นเบสิคป็นานให้เราบางครั้งนี้คือครั้นงนี้เราตั้งใจไงเพราะเราจะทำงานอะไรมากไม่ได้เ ร, เราติดตั้งใจเราติดตั้งตัจอยอยู่กับสิ่งที่ฟังจ <ừ. S 1> ิตมันเลยแบบเข้าไปในจิตได้ปรมาณแสบเอร์็นได้เยอะอาเดี๋ยวจะทบทวนสติมีกี่ระดับอืม เคยสอนมาเยอะแล้วสติมีกี่ระดับในระดับคนธรรมดา ส, สติแบบพื้นๆ น, นี่คืออะไรสติความลึกได้รละลึก อ, อะไรได้เนาะพื้นๆ น, นี่ เบื้องต้นแรกแรที่สุดในสติคือความระลึกได้เนี่ยแรกแรกสุดเลยเนี่ยเราจะให้มีสติดูการเกิดดับทันทีมันเลยได้ไหมล่ะไม่ได้หนึ่งต้องระลึกถึงคําสั่งสอนของครูเจ้าให้ได้ก่อนสติอันแรกนี่นะพื้นพื้นนี่นะพราะถ้าเราไม่สามารถระลึกถึงคําสอนของครูทีเจ้าได้เราจะสามารถนําคําสอนมากําหนดรอบรู้ในจิตเราได้ไหมล่ะไม่ได้ใช่ไหมล่ะต้องระลึกถึงคําสอนของครูทีเจ้าก่อนการทรงจําคําสอนจร็นสิ่งเป็นสิ่งที่มีความสาคัญ นี่แหละที่อตาตมาให้ท่องท่าสี่ท่าสีไว้เนี่ยเพื่อให้ทรงจําไว้เพื่อให้เป็นเครื่องระลึกของสติให้ทรงจําคําสอนของผู้เจ้าให้ได้ก่อนนะฮะตัวอย่างเช่นเวลาเราเกิดความโกรธขึ้นหากเราไม่เคยทรงจําคําสอนของผู้เจ้าในการที่โปร่งทรงตรัสเกี่ยวกับเรื่องของความโปรดไว้เราก็จะไม่สามารถนําคําสอนนั้นเอามาอบรมจิตตัวเอง ในเรื่องของความโกรธนั้นได้เลยเช่นพระองค์ทรงกล่าวไว้ว่าการที่เรามีความโกรธตอบต่อบุคคลอื่นนั้นเหมือนกับการเอื้อมมือไปหยิบก้อนอุจจระเพื่อป้องปลาใส่เขาแต่การที่เราเอื้อมมือไปหยิบก้อนอุจจระเพื่อป้องปลาใส่เขานั้นอาจจะมีถูเขาก็ได้แต่เราพูไปจับเนี่ยถูกก่อนแล้วจะทำร่องนี้ใช่ไหมละ่ะล้วก็มาโคลมใจของเราอยู่เสมอว่าอ๋อเราก็ไม่ควรที่จะโกรธเคืองใครใช่ไหมละ่ะมันก็สมุงบระรับได้ นี่คือสติแบบพื้นๆที่จะต้องมีในความเป็นชาวพุทธของคนทุกคนอันที่สองอันแรกนะสตินี่ลักษณะการงานทรงจำคำสอนเอามาใช้ประโยชน์กับชีวิตอันที่สองสติในการอบรมใจให้จิตทำยังไงต้องนบบินนให้จิตมันมีที่ตั้งที่อยู่ที่อาศัย ในกรรมฐ า, านให้เรืทำกรรมฐ า, านหมายถึงว่านำคำสอนมาสู่การพิพพจรารณาใจิตมันตั้งอยู่ในกรรมฐ า, านระดับที่สามคือเห็ น, นอารมณ์ที่เกิดขึ้นในจิตหากเราไม่เห็นอารมณ์เกิดขึ้นในจิตก็ขาดสติแล้วยังยังไม่ใช่สาวถ้าเราเห็นอารมณ์เกิดขึ้นในจิตเราก็มีสติใช่ไหมสติอะไรจะได้เห็นการเกิดการดับนั้น ระดับที่สามคือเห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นในจิตระดับที่ซี่สติระลึกรู้ในกายเวทนาจิตธรรมเห็นไห ม, ไมใช่แต่เมื่อเราเห็นการเกิดดับมันก็จะมันจดครบส่วนอยู่ในนั้นเองเราเห็นอารมณ์เกิดในจิตเราก็จะเห็นกายเราตั้งมั่นไม่ตั้งมั่นกายคงที่ไม่คงที่ เวทนาเกิดขึ้นจิตดิ้นรนหรือไม่ดินน้นรนอาการที่เกิดขึ้นในจิตจะเป็นสุขทุกข์ในสุขไม่ทุกข์ฟุ้งซ่านลังคานลาคาโทรศัพท์โมหะเกิดแล้วมันดับไปอย่างไรเราก็จะทราบได้แล้วก็ทำที่ประกอบกับจิตเป็นกุศลท่ทากุศลทำมหายกระตับทำอย่างไรหรือจะเป็นนิยนิวรณ์ทอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดก็ะจะทราบได้นี่คือสติในระดับที่ระดับที่สี่สตินระดับที่ห้า อนอั่นแหละรู <c oughs> ้ในปัิภัรฑ์ร <c oughs> ู้ในปันธุงกิตติคุณ <c oughs> เป็นคำถามที่ถามมา น่าจะในเพจนี้นะี่ยธรรมสการครับพระอาจารย์อยากให้พระอาจารย์แนะแนวทางการปฏิบัติธรรมสำหรับผู้ที่ไม่เคยปฏิบัติและไม่มีพื้นฐานมากไม่มีพื้นฐานมาก่อนเช่นการนั่งสมาธิเดินจงกรมจะเริ่มต้นกันยังไงครับผมสําหรับบุคคลผู้ที่ไม่เคยปฏิบัติธรรมมาก่อนและ คือไม่เคยปฏิบัติแต่อย่างน้อยก็จิตก็รู้เรื่องของบุญของบาปของดีของชั่วอยู่นะแต่ไม่เคยปฏิบัติอันนี้เริ่มมาปฏิบัติตอนไหนหรือเคยปฏิบัติก่อนหน้าหน้าที่จะมาเจอนี่แหละก่อนหน้าที่เคยละใจก็เคยปฏิบัติมาก่อนแล้วแวน่นเนี่ยไหมก็เคยมาแล้วแต่มันเป็นระดับบุญนะตอนนั้นเนาะเราไม่ใช่ระดับกาปฏิบัติเป็นระดัเป็นระดับบุญค่เป็นระดับแบบว่าไปทำบุญ ในงานกระถิงนาถ้าป่านะอะไรที่คิดว่าเป็นสิ่งที่เป็นความรู้ที่มีความรู้กแบบป้านว่าอยากจะแบบว่าให้ครอบครัวมีความสุขให้ลูกเราได้ไปปฏิบัติธรรมแบบลักษณะไปว่าไปสวดมนต์อ่างเงี้ยนะอ๋ออ้ทวนไปสว ด, <ฮะ S 1> ดสวดมนต์นี่สวดไมรู้กี่รอบไปร้อยแปดอะไรสวดมนต์มาทาสี่อมไหมค่ะเดินจงกรมหมดแต่แต่ก็แก็ไม่ได้เ็นากมาต่อมาให้เดินจงกรมไห พระอาจารย์พระแรกๆนะพระอาจารย์ยังไม่ให้เดินให้ท่องธาตุลมใช่พระอาจารยการปฏิบัติแรกๆแรกๆเลยนะสาหรับคนที่ไม่เคยปฏิบัติหนึ่งต้องเรียนความสอนของพระพุทธเจ้าให้ได้ในบทใดบทหนึ่งที่นี่ธรรมาจะให้บทธาตุกรรมฐานสีเป็นเครื่องเรียนรู้หมายถึงว่าต้องท่องและทรงจําบทธาตุกรรมฐานสีนี้จนขึ้นใจท่องบทธาตุกรรมฐานสีนั่นเองอันแรกนะสําหรับผู้ปฏิบัติยังไม่ต้องสนใจการเดินจงกรมไม่ต้องสนใจการทําสมาธิไม่ต้องสนใจ ไม่ต้องถาหาความสงมบไม่ต้องไปถามหาสมาธิอะไรทั้งสิ้นแรกๆต้องวุ่นวายกับมันก่อนวุ่นวายเพื่อที่จะทําทรงจําคําสอนผู้เจ้าให้ขึ้นใจไม่ได้คือต้องต้องบอกให้เข้าใจก่อนนะว่าสิ่งที่สอนเนี่ยเป็นแนวทางเฉพาะตนเฉพาะที่อาตมาเองทําแล้วได้ผลและลูกศิษย์เองก็ทําแล้วได้ผลอย่างเงี้ยแล้วคนที่ประพฤติปฏิบัติในลักษณะนี้ทําแล้วได้ผล คือมีผลทางด้านการปฏิบัติจริงไม่เท่ทำกันให้ไปไปทำแบบเอาบุญเอากุศลเอานี่คือการทําแบบเอาการปฏิบัติที่ได้เป็นการปฏิบัติและได้นําไปสู่การปฏิบัติและเกิดผลด้านการปฏิบัติจริงหนึ่งทรงจำคำสอนพระเจ้าโดยการท่องธาตุกับปารถันสีห้องขันห้าท่องหรือยังขันห้าท่องแล้วนะท้องขันห้าแล้วนะท่องธาตุกับปารถันรีให้ขึ้นใจต่อไปพิจารณาร่างกายหกขั้นตอนให้ ให้ชำนานพิณาร่างกาย6 ข, ขั้นตอนให้ชำนานแล้วก็ท่องขัน5ให้ขึ้นใจแล้วก็แยกขัน5้าตามการพ่ท่องมาว่าลูกเป็นยังไงเวทนาเป็นยังไงสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณเป็นอย่างไรจากนั้นมาจับดูการเกิดดับของขัน5อย่างเงี้ยในกรณีที่แนะนำไปตามขั้นตอนอย่างนี้จะเดินจงกรมก็ได้จะนั่งสมาธิก็ได้นั่งสมาธิยังไง นั่งแบบที่เคยนั่งที่เคยนั่งกันธรรมดาธรรมดาที่แหละนั่งเราแบบนั่งกันธรรมดานี่ยนะเนี่ยนั่งแบบนั่งฟังเทศฟังธรรมนี่แหละก็นั่งทพองถาดไปเดินก็เดินทพองถาดไปจนกว่ามันจะขึ้นใจนั่งก็นั่งพิจารณาการ่างกายหกขั้นตอนเดินก็เดินพิจารณาร่างกายหกขั้นตอนนั่งก็นั่งท่องท่องขันห้าเดินก็เดินพี่ ท่องขันห้านั่งก็นั่งพี่นะครตามลําดับนะตามลําดับแต่ละลําดับหมายถึงว่าท่องท่าสีจนขึ้นใจแล้วจะเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิก็ท่องท่าสีเนี่ยอยู่เสมอไม่ต้องไปกําหนดลมหายใจไม่ต้องไปกำหนดให้จิตเป็นสมาธิสมาธิอะไรไม่ต้องจากนั้นจะนั่งหรือเดินก็ตามมาพี่นาะร่างกายหกขั้นตอนนี้ให้ชํานาญเดินอยู่ก็ตามนั่งอยู่ก็ตามพี่นะให้ชํานานหกขั้นตอน 6ขั้นตอนมีอะไรบ้างมามาเอาที่นี่เอกสารอ่ะอยู่ที่นี่อยู่6ขั้นตอนแล้วท่องขันห้าก็เหมือนกันจะเดินจงกรมก็ตามนั่งสมาธิก็ตามก็ท่องขันห้าให้เข้าใจต่อไปก็แยกขันห้าพอแยกขันห้าได้แล้วก็จับอาการเกิดดับของขันห้าจะเดินก็ตามจะนั่งก็ตามเนี่ยคือวิธีการ ส่วนวิธีการที่เคยสอนวิธีการน่งสมาธิอันนั้นเป็นการสอนแค่เป็นองค์ประกอบไม่ได้สอนเอาจริงเอาจังเอาดีเอาเด่นเอาเอาสมาธินั้นเป็นสาระแก่นสารแค่สอนให้รู้จักวิธีการทำเท่านั้นเองว่าวิธีการทําสมาธิเป็นอย่างไรแต่จะให้เอาดีเอาเด่นกับสมาธิเนี่ยไม่ได้สอนอย่างนั้นเพราะสมาธิไม่สามารถแก้ไขกิเละได้สมาธิเพียงแค่ทําให้รู้สึก สงบสบายชั่วยาวเวลานหนึ่งเท่านั้นแต่ตัวที่แก้ไขกิเลกก็คือการเห็นขันห้าเกิดดับตรงเนี้ยอันนั้นก็คอยมาเรียนที่นี่อีกทีหนึง่งถ้าเราไม่ได้เดินจงกรมแต่เราพิาจารณาการเกิดดับไปอีกนึงได้ในในได้แต่ถ้าอยให้ดีการเดินจงกรมจะดีมากวันนั้นเดินสองชั่วโมงนะหลับดีเลย เดินจงกรมก็แต okay. ่ก okay. ็เร็วนะระอาจารย์สององค์แบเดินยนพระพุทธเจ้าบอกว่าสมาธิที่เกิดจากการงเดินจงกรมจะไม่เสื่อมง่ายจะตั้งมั่นอยู่นานสมาธิที่เกิดจากการนั่งองค์ยังไม่สารเสริญนนะก็อยู่นานแต่พระองค์บอกสมาธิที่เกิดจากการเดินเดินจงกรมจะตั้งอยู่นานนานนัานกว่าสมาธิที่เกิดจากลีบบทอื่นจะไม่เสื่อมง่ายแพรท่านพระอาจารย์นมื่เดินจงกรมเสร็จ ก็นอนตื่นมานี่มันสดชื่อเลยมันแบบมันไม่งงเงี้ยเลยนะทีตื่นมาจะแบบรีวิวอะไรเงี้ยนแค่สองชั 5, ่วโมงเธอเดินห้องเ ล, เล็กๆเดินบวนไปวนมาได้ถึงยี่สิบข้าวก็ก็ถ้าใครจะปฏิบัติถ้ารู้เลยว่ามันขนาดเรายังไม่ได้คัด น, นะแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันมันมีการพัฒนาของจิตให้ร็วขึ้นที่ที่พระอาจารย์บอกขั้นทอนงมานะะ ปีนี้ปีที่รู้สึกเห็นอะไรมันมากขึ้นเหรพระอาจาทุกปีทำไมเหมือนก่มันรู้สึกไม่เก่งทางละเออเหมือนกับรัดขึ้นอ่ะแต่ทางที่ก่อนก่อนรู้สึกให้เราจะนึกว่าเราเก่งที่ทำไมเออมาปีเนี้ยที่ที่เคยคือเราเป็นอันนี้มันเคยเจอกันนะพระอาจาย์เนาะมก่อนเลยเนาะเหมือนกัมีคนบอกว่ารัดก็ก็คงจะเป็นความรู้สึกคือคนอื่นเขาเดินพาเดินอ้อม จริงไม่ใชทางสายรัดเป็นทางสายตรงใช่เป็นตรงค่ะตรงเลยค่ะท่าอาจารย์ใช่คือเปนทางสาย ร, ตรัตรงกับจิตเราพอเข้าพักจิตเป็ น, <ค> น, นงมงค <น S 2> มลก็มาแย่งอัตมา<ช>หลายอย่างเขาต้องทำสมาธิให้สงบก่อนแล้วค่อยไปพิพจรารณากายไม่อย่างนั้นมันจะไม่ผ่านอ น, นั้นนั่นคือคนคนที่ยึดแบบเก่ามาที่มีทัศนคติอย่างนั้นและคนที่ติดแบบเก่ามาในที่มีทัศนคติอย่างนั้นยี่สิบปียังไม่ได้อะไรเลย มันต่างจากการที่อาจรมาสอนให้พิจารณาไปเลยนี้แล้วเอาสะบบทีหลังมันมีสงบมันจะเข้ามารองรับจิตทีหลังเองมันไม่ได้หายไปไหนหรอกความสงบน่ะมันไม่ต้องกลัวว่ามันจะหายหรือมันจะไม่ได้มันจะได้มันจะประสานกันเองความสงบมันจะเกิดขึ้นมารองรับจิตเองพุณได้้าบอกว่าการทรงจําคําสอนการทรงจำธรรม จะมีอุปการะมากแก่การปฏิบัติธรรมเนี่ยมันมีอุปการะมากจริงๆนแยภาหลังจึงรู้ว่ามีอุปการะย่างไงทรงจําไปเถอดคาสอนพระพุทธเจ้านี่อุปการะเยอะมากเลยคนที่ไม่มีผู้อุปการะใช้ชีวิตลําบากไหมเด็กที่เติบโตมาโดยไม่มีพ่อมีแม่คอยดูแลมีผู้อุปการะเด็กคนนั้นอยู่อย่างสบายไหมอยู่อย่างลําบากใช้ชีวิตลําบากทําอะไรก็ลําบาก ความเป็นอยู่จะลำบากหมดกับคนที่มีผู้อุปการะจะดีใช่ไหมละ่ะผู้เจ้าบอกว่าทำการทรงจำธรรมจะมีอุปการะมากแกการปฏิบัติธรรมคนที่จะปฏิบัติธรรมหากไม่เคยทรงจำธรรมอะไรไม่เเนี่ยไปปฏิบัตินี่ฝืดเื่องมากนะลำบากมากยากมากงงๆกันไปอย่างนั้นแหละนะ <c oughs> ได้บุญไหมได้บุญอยู่แต่ มันไม่ได้การปฏิบัติได้แค่บุญไม่มองไม่เห็นทางออกไปเห็นแสงสว่างเลยอาจาจะทํอไปก็อจ้ออะไรนะว่ะก่อนก่อนนั้นก่อนหน้าก่อนนั้นทำกี่ปีกี่ปีปีใช่ไหรกปีที่รามาเียปีว่าอไม่ใช่ก่อนหน้านั้นก่อนที่จะมาพบสก่อนที่ราเจอ ก็ประมาณ8ปีแล้วตอนนั้นที่เจอน้ออก่อนนั่นอีกที่เราไปที่อื่นอ๋อมีก่อนก่อนก่อนพรก่อนอีกนะก็มีตอนนั้นเจ้าเข้าทรงอะไรอ๋อตนั้นก็วางกันไปเนาะเอ้คนมีใจที่อยากจะหลุดพ้นแล้วไปไปอยู่ในหลักปฏิบัติที่เขาพาเดินอ้อมกันก็น่าเห็นใจอยู่เหมือนกัน ก็ไม่มาเจอคำสอนนี่มากใจเจอก็เจอด้วยทัศคติเก่าๆคือทัศนคติเก่าๆจะบอกเขาว่าทําไม่มีลูขกข้าวลบก็ไม่ใช่อะไรอะไรอย่เาเงี้ยก็เลยเหมือนกับผุดผ่านไปจะเป็นน้องๆเขาไม่เข้าใจว่าการเรีนการปฏิบัติมันไม่ได้เกี่ยวกับรูกข้าวลบอะไรทั้งสิน้นพระพุทธเจ้ายือนอยู่ต่อนหน้าเราก็ตามถ้าเราปฏิบัติไม่ถูกพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ช่วยอะไรให้เรา มาลู่ทำสักพิษหนึ่งจะนั่งฟังเทศต่อหน้าพระพุทธเจ้าอยู่ก็ตามแต่จิตของเราไม่ได้เข้าสู่การปฏิบัติที่แท้จริงคือไม่ได้เข้าใจคําสอนที่จะนําไปสู่การปฏิบัติที่แท้จริงก็ ม, มีประโยชน์อะไรความมีอยู่ของพระพุทธเจ้าเป็นความประเสริฐตรงที่เราสามารถทําความเข้าใจในหลักธรรมได้พระพุทธเจ้ามีอยู่แต่ทําความเข้าใจหลักธรรมให้เราไม่ได้เลย ไม่รู้จะมีอยู่ทําไมความเป็นผู้ดีเก่าเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าเมื่อพระองค์ยังทรงพระชนอยู่ไม่มีเรื่องราวใดเลยที่พระองค์จะปิดบังซ่อนลิน้นที่ทําให้พวกเราคุมเครื อ, อพระดิยสงสาวพวกต่างหลายผู้รู้แจ้งในพระศาสนารู้ทั่วถึงธรรมที่พระองค์ทรงกล่าวสอนนั้นะสามารถบอกเนื้อความอันที่รู้ทั่วถึงธรรมนั้นต่อบคุคคลเหล่าอื่นได้โดยเข้าใจได้ง่ายตรงเนี้สําคัญตรง น, รงนี้เพราะฉะนั้นภิกษุที่รู้แจ้งในหลักคาสอนยังมีอยู่ไม่ใช่ว่าไม่มี ในยุคสมัยนี้แม้แต่พวกเราไม่ทรงพระชนอยู่ก็ผู้รู้แจ้งในคําสอนนั้นรู้ทั่วถึงในหลักคําสอนนั้นยังสามารถบอกในหลักธรรมอันที่พวกเราจะสามารถเดินตามกันได้ยังมีก็ควรจะยึดถือปฏิบัติตามจะมามัวแต่ยึดถืออยู่ว่าไม่มีรูปเคารพของพระ พ, พุทธเจ้าถือว่าเป็นผู้ปฏิบัติผิดปฏิบัติพลาดปฏิบัตินอกลทธิ์นอกรอยเพราะมีทัศนคติอยู่อย่างนี้ก็เลยกี่ปีอี่ปีก็อยู่อย่างนั้น่ะ ก็ยังเดินทางอ้อมอยู่สักการะสิ้นสวงกาบไหวบูชากันอยู่อย่างนั้นมีการสร้างวัตถุภูมใหญ่ที่สุดในโลกที่ไหนก็จะไปสมโพธิกันที่นั่นสวนสมโพธิกันทําพิธีเบิกเนี่เสริมบุญบา ร, รมีไปเสริมทําไมบุญบา ร, รมีทําไมไม่เสริมสติเสริมปัญญาตัวเองเนี่ยไม่ล่ะสติปัญญาจะพอที่จะพาพ้นทุกไม่ยอมเสริมทานเราก็ให้มาเยอะศีลเราก็รักษามามากสมาธิเราก็ฝึกสอนกัน แต่ปัญญาเราไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีใครต่อเติมปัญญาให้กับเราทําไมเราไม่เสริมปัญญาบา ร, รมีกันเราบ้างอทานบา ร, รมีศีลบา ร, รมีก็ก็ฝึกกันปฏิบัติกันปัญญาบา ร, รมีทําไมไม่สร้างมาไม่เสริมตรงนี้ปัญญาบา ร, รมีจะอะไรเสริมก็เาหลักคําสอนของพระเจ้าเสริมเข้าไปตั้มาจึงให้ท่องบทธรรมของพระเจ้าไว้แม้บทเดียวก็สามารถยังจิตลงสู่อมตะธรรมได้บทคําสอนบทเดียวขอให้รู้บทเดียวนี้ให้แจ่มแจ้ง ถ้าสี่ขันห้าอยู่อัตมายกให้สองบทเพราะมันต้องเกื้อกูลกันสองบทนี้ถ้าสี่ขันหแล้ววิธีการก็อธิบายไปหมดแล้วแ ล, วละลักษณะของจิตที่จะเข้าไปเชื่อมต่อกับพันธุพานก็อธิบายไปหมดแล้วว่าจะเชื่อมต่อกันอย่างไรอยู่ที่ว่าเราสามารถทําได้ตามลําดับนี้หรือเปล่าขึ้นอยู่กับตัวบุคคลนะครับความเพียรความพยายามความใส่ใจความสนใจความน้มเอียงจิตไปน้มเอียงจิตไปในเส้นทางนี้อยู่เสมอ พอจิตเรามันไปออกนอกทางอยู่เรื่อยใช่ไหมล่ะโน้มใจเราไปอยู่เรื่อยต้องโน้มใจไปอีกเรื่อยๆดึงใจเราอยู่ในเส้นทางอยู่เรื่อยต้องได้ต้องถึงสักวันนึ่คนที่มีความจริงใจในการทาเปลียนปฏิบัติเขาก็นําเรื่องราวที่เขาดับทุกข์ได้มาบอกมาเล่าให้ฟังอยู่นี่ก็มีอยู่ไม่ใช่พี่พี่ก็หลักปฏิบัตินี่แหละที่แนะนําไปนี่แหละทั้งคารวะทั้งพระภิกษุเองก็ใช้หลักปฏิบัตินี้ ไม่ได้แตกต่างกันเพราะเราก็มีกายมีจิตที่เสมอเหมือนกันไม่ได้แตกต่างกันของใครก็รับผิดชอบตัวตนของตนเองเป็นก้อนทุกข์เฉพาะตนที่จะต้องแก้ไขดับและก็คลายออกด้วยสติปัญญาทานน่านยังดับทุกข์ไม่ได้ศีลก็ยังดับทุกข์ไม่ได้สมาธิก็ยังดับทุกข์ไม่ได้ปัญญาเท่านั้นที่จะดับทุกข์ได้แล้วปัญญานั้นก็ต้องเป็นปัญญาที่มีธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อมโยงอยู่เสมอ การเสริมปัญญาบารมีคือการนำทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้ามาใส่ใจคำสอนของพระพุทธเจ้ามันไม่ได้เกี่ยวกับรูปขรรค์นี่ใช่ไหมผู้องค์บอกจะมีพระพุทธเจ้าก็ตามไม่มีพระองค์อยู่ก็ตามแต่ละกคำสอนยังมีอยู่ก็ยังสามารถทําให้คนเข้าถึงสัจธรรมเข้าถึงบรรลุถึงปัญญาได้เนี่ยตรงเนี้มันมันคือปัญหาของโลกที่มันไม่ยอมทิ้งทิฐิมานะในหมู่ของชาวพุทธเรา เรายึดเสื้อจนกลายเป็นอัตราภายในตนเองแล้วเป็นอัตราตัวตนเป็นอัตราลักจนเป็นความรู้สึกว่าขาดไม่ได้ต้องมีถามว่าคนไม่มีลูกเค้ารบเป็นคนเลวร้ายขนาดนั้นเลยเหรอแล้วคนที่มีลูกเคาลบเป็นคนดีโดยส่วนเดียวเลยเหรอือก็สังคมเรามันเป็นอย่างนี้กลับไปเสียทั้งหมดแก่อะไรก็ไม่ได้กับสังคมนอกจากสังคมจะไปแก้ตัวของสังคมเอง สังคมคือใครก็คือตัวคนนั่นแหละถ้าไม่มีคนสังคมก็ไม่มีตัวคนคือใครก็ตัวพวกเราทั้งหมดหากพวกเราแก้ตัวเราสังคมก็จะดีขึ้นมาอีกก็หมายถึงว่าคนในสังคมนั้นจะเป็นผู้บุกขึ้ดีปฏิบัติชอบด้วยความรู้ความเห็นที่ตรงกันเองพอได้เห็นเหมือนกันรู้เหมือนกันธรรมชาติอันเดียวกันเส้นผมมีเหมือนกันจะงกจะงอจะตรงจะแบบไหนจ ะ, จ, ะจะดัดมายัางไงก็ตามก็คือเส้นผมอันเดียวกัน ความแตกแตกต่างกันนั้นเป็นความแตกแตกต่างเกิดจากสังขารที่ปรุงแต่งขึ้นในแต่ละคนบางคนปรุงแต่งให้ได้เส้นผมอย่างนี้บางคนถูกปรุงแต่งให้ได้ผมอย่างนี้ขนอย่างนี้เล็บอย่างนี้ฟันอย่างนี้หนังอย่างนี้เนื้ออย่างนี้เอ็นอย่างนี้อย่างเงี้ยมันก็มีเหมือนกันนะเป็นเรื่องของการปรุงแต่งแต่ความมีนะมีเหมือนเหมือนกันหมดนี่คือความประจักษ์ชัดแต่ความทุกข์ ที่มันอยู่ในตัวตนของตนเองเนี่ยอยู่ในผมขนเล็บฟันเนื้อเอ็นกระดูกเนี่ยเมื่อไหร่เราจะรู้ตัวว่ามันคือก้อนทุกข์และจะแก้มันแล้วแก้ง่ายๆคือแก้แบบหลักทําตรงตรงนี่แหละปฏิบัติตามมันตรงตรงถึงเวลาปล่อยมันจะปล่อยเองถึงเวลาวางมันจะวางเองรู้แล้วมันจึงปล่อยรู้แล้วมันจึงวางเข้าใจแล้วมันจึงปล่อยเข้าใจแล้วมันจึงวางชัดเจนแจนแจ้งแล้วมันจึงปล่อยและวางและเป็นวางแบบมีปัญญารู้ทั่วถึง ได้ยังวางแบบหลงไม่สนใจหลงอยู่ได้หลงโดยไม่สนใจคำอะไรกับอะไรเมื่อไม่สนใจอะไรกับอะไรหลงว่าตนเองปล่อยวางได้อันนั้นก็อันตรายหากไม่ได้ปล่อยวางด้วยความรู้มันก็นามาซึ่งความงมงายครอมงำกิจอีกเหมือนเดิมตมาจึงพยายาม ส, สอนความรู้เป็นพื้นฐานให้สอนความรู้เป็นพื้นฐาน แต่ลรคนก็งงกันทั้งนั้นแหละจะมาท้องธาดททำไมท่องธาตทําไมงงกันอยู่เอาหน้าท่องไปธนาออกกันผีไว้ก่อนก็ท่องกันไป <c oughs> ต่มาปูพื้นฐานให้เพราะว่าเส้นทางของจิตจะต้องไปทำลายสกาตยทุทธิที่ก่อนเป็นด่านแรกอันนี้คือหลักการเป็นอย่างนั้นหากไม่ทำลายสกายทุทธิ จะปฏิบัติไปในแนวไหนก็ตามอย่างไรมาก็ตามทำลายสักยายิติไม่ได้มันก็ไปไม่ได้เด็ดขาดและ ย, ยืนยันจะไปล่าความโลภความโกรธความหลงไม่มีทางถ้าสัตยายธิธิไม่ได้ถูกทำลายความเห็นผิดในกายไม่ได้ถูกทำลายนี้ไม่นีทีมีคำถามเข้ามาว่าถ้าเราไปพี่จาจรานานั่งคิดพี่นาว่าร่างกายนี้เป็นธาตุสีดินน้ำไฟลมจนชนานาญ จนเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราจริงๆแล้วปล่อยวางได้มันจะไม่เชื่อว่าเป็นการคิดเอาเองเหรอเอาว่ามันจะชื่อว่าเป็นการบรรลุถึงได้ยังไงมันจะคิดเอาเองมากกว่าเพราะการคิดย้ำๆซ้ำๆอาจจะสามารถทําให้เราเห็นกายเป็นปน้าเป็นไฟเป็นลมจริงอย่างนั้นแต่มันใช่การบรรลุถึงผลอยู่หรือมันมันไม่ใช่ว่าคิดเอาตึกนึกเอาเนี่ยมันจะเป็นมากเป็นผลได้อย่างไร เพาะกว่ายอย่างนั้นถ้าไม่มีสมาธิรองรับจิตก่อนกว่ายอย่างนั้นนะต้องมีสมาธิความสงบรองรับจิตถึงไปพิจารณาถึงจะเกิดปัญญาในการรู้แจ้งต้องเป็นเจโตวิโตเจโตวิมุตติก่อนถึงจะเป็นปัญญามิมุติเนี่ยในทำนองนะั้นคนที่พูดอย่างนั้นอ่ะพูดด้วยตักกัเหมือนกันคือคิดว่าคิดว่าต้องเป็นอย่างนั้นคิดว่าต้องเป็นอย่างนี้แต่คนที่นํามาบอกเนี่ยคือผ่านมาแล้วนะ ผานมาแล้วว่ามันสําเร็จยังไงมันเข้าไปถึงอย่างไรมันละกันยังไงสักฤตทิฐิเราอย่าคิดว่าการที่เรามาคิดว่ากายเป็นดินน้ําไฟลมเนี่ยเป็นการคิดเอาเองอย่าไปคิดว่าอย่างนั้นหากคิดว่าการที่เรามาคิดเอาว่าร่างกายเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมเป็นการคิดเอาเองนั้นน่ะจะเกิดความเสียหายขนาดเราคิดเอาเองว่าร่างกายเป็นเราเรายังคิดเอาเองได้ใช่ไหม เรามาคิดเอาเองนั่นเอคือทักเอาเองนะว่าร่างกายเป็นเราทั้งที่ร่างกายไม่ได้บอกว่าเป็นเรามันมีส่วนไหนที่มันบอกว่าเป็นเราแต่เราก็มาหลงคิดเอาเองว่าเป็นเราเมื่อเรามาหลงคิดเอาเองว่าเป็นเราเราต้องคิดเอาเองด้วยว่ามันเป็นดินเป็นน้ําเป็นไฟเป็นลมต้องคิดอย่างนี้ก่อนเพื่อไถยถอนการคิดเอาเองว่าเป็นตัวตนของตนเองเมื่อไถยถอนการคิดเอาเองในการยึดถือในตัวเองว่าเป็นตัวเองการคิดว่าเป็นดินน้ําเป็นไฟลมเป็นการคิดเอาเองก็จริงแต่เป็นการคิดเอาเองตามความเป็นจริง เพื่อถอนความรู้สึกในการยึดในตัวเองก่อนพอถอนความรู้สึกอันนั้นไปได้ปับ๊บเรามาดูขันห้าที่เกิดระดับมันจะทําลายความเห็นผิดในการยึดถือเป็นสกายติฐิทําลายที่ความเห็นหนู่นนี่คือหลักการมันอยู่ที่นี่แต่การให้ท่องท่าแล้วมันก็เป็นการท่องและการพิจารณาการคิดเพื่อปูพื้นฐานให้กับจิตตอนนั้นเองถอนความรู้สึกในการยึดถือก่อนอย่างน้อยเราก็จะได้รู้ตัวขึ้นมา ในแรกๆว่าอ๋อที่แท้แล้วธาแท้ของกายนี่ก็คื อ, ค อ, คอดินหน้าไปลมเห็นไหมล่ะพ่อเราแม่เราปูวยาตายายเราเอาตัวเองเอาตัวร่างกายเนี่ยไปสู่พบหน้าได้ไหมล่ะหรือต้องทิ้งไว้ให้คนเผาก็ต้องทิ้งไว้ให้คนเผาทั้งนั้นแหละหลูกหลานผู้อยู่ภายหลังก็เผาทิ้งกันทั้งนั้นแหละเหลือแต่เศษซากกระดูกแล้วตัวตอนของท่านอยู่ที่ไหนลราตอนนี้ไม่มีมีแต่ดวงจิตดวงวิญ ญ, ญาณที่อยู่ตามพบภูมิด้วยกรรมวิบาก กรรมดีก็อยู่ในภพภูมิดีกรรมไม่ดีก็อยู่ในภพภูมิที่ไม่ดีอย่างเงี้ยร่างกายก็ถูกทิ้งไวน้นี่ก็เป็นอย่างนี้เพราะนั้นเราจะได้รู้สึกตัวขึ้นมาว่ากายไม่ใช่เราเราไม่ใช่กายเป็นดินน้ำไฟลมตามธรรมชาติของมันรู้จักธรรมชาตินี้ให้จริงจังก่อนแจ่มแจ้งไปเรื่อยเรื่อยเรื แล้วมันจะไปแจมแจ้งภายในการรู้จักขันขันกันเริ่มแจมแจ้งไปเรื่อยแจมแจ้งไปเรื่อยไม่มีการหลงลืมไม่มีการงงไม่มีการสงสัยไม่มีแบบเอ๊ะนนี้คืออะไรนี่คืออะไรไม่มีเพราะอาตมาสอนอยู่โดยตลอดอะไรเกิดขึ้นตีลงสู่ขันให้ได้จะรู้ตามความเป็นจริงในขันนั้นความคิดนี้เป็นสังขารขันความสรงจําในเรื่องนี้เป็นสัญญาขัน อาการให้ความรู้สึกสุขบ้างทุกบ้างเป็นเวทนาขันการรับรู้ในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณเป็นวิญญาณขันอย่างเงี้ยก็ก็เข้าใจหมดทุกอย่างไม่มีสงสัยไม่มีงงไม่มีเพราะประเด็นแต่ละประเด็นที่เคยงงมาก็ตอบให้หมดไม่มีอะไรสงสัยใช่ไหมละ่ะจิตเราก็ก็นวนอะไรทีวนอยู่ในนี้ วนรู้ไม่ใช่วนแบบงงวนรู้อยู่ในนี้อ๋อนี่คือรูปดินน้ําไฟลมอ๋อนี่คือเวทนาสุขบ้างทุกบ้างไม่ทุกไม่สุกบ้างมันต้องเกิดขึ้นเป็นธรรมาดาเพราะเวทนามีอยู่สามเมื่อเวทนามีอยู่ส <ME> าม 3, มันจะเกิดสุกสุขก็ตามทุกก็ตามไม่สุขไม่ทุกก็ตามมันก็ต้องเกิดเพราะมันมีอยู่เนี่ยสัญญาความทรงรรจําจําในเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็ต้องเกิดเพราะสัญญาขันมีอยู่ไม่ให้มันไม่มีไม่ได้จะให้จิตบ้างอยู่ตลอดเป็นไปไม่ได้ สังขารความคิดมีอยู่มันก็ต้องมีอยู่เนี่ยมันก็ต้องคิดเป็นเรื่องปกติจะไม่ให้มีความคิดไม่ได้เพราะสังขารเป็นองค์ประกอบภายในจิตวิญญาณการรับรู้โอ้ไม่อยากจะรับรู้เรื่องนั้นไม่อยากจะรับรู้เรื่องนี้แต่ก็ยังรับรู้อยู่ก็มันมีตัวรับรู้อยู่จะไม่ให้มันรับไม่รับรู้ไม่ได้ก็ต้องรับรู้กันไปความคิดเกิดขึ้นก็รับรู้ความคิดไปความทรงจําเกิดขึ้นก็รับรู้ความทรงจําไปเวทนาเกิดขึ้นก็รับรู้เวทนาไปแต่ผู้ที่เรียนรู้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ เป็นอีกผู้หนึ่งตอนนั้นเองมันก็เห็นชัดอ๋อเราดูรูปเราดูเวทนาอยู่เราดูสัญญาเราดูสังขารเราดูวิญญาณอยู่อาการแห่งรูปแปรปวนเป็นอย่างไรอาการแห่งเวทนาเกิดและดับเปลี่ยนแปลงตัวเองยังไงอาการของสัญญาเกิดและดับไปยังไงสังขารคิดระดับไปยังไรวิญญาณเกิดและดับไปยังไรเราผู้ทําการรู้อยู่อย่างนี้นะมันจะค่อยแย ก, กแยกแยกแยกแล้วก็จะค่อยๆขาดออกจากกัน คือความเชื่อมโยงในการยึดถือด้วยยางเหนียวอย่างอุปทานจะค่อยจางคายจางคายจางคายจางคายจางคา ย, าายพออำนาจแห่งอริยมรรคเต็มเตีเต่ยมบริบูรณ์ก็จะขาดกันทันทีเลยก็สกายยุทธิีก็ถูกทำลายมันมีลำดับอย่างนี้เลยการปฏิบัติพอสมควรแก่วเวลาแล้วมั้งเนาะอันนี้เนาะ โอเคไหมโอเค